ผมาเป็นห่วงยายหมู่เพื่อนมากเกี่ยวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนหนึ่ที่ต้อห่วงกันลึกอยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดากิจผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมณ์สั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นรูบายวิธีการที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายใน ใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแี่ทุก ม, มุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังจทิเลตมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตบันไดอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึ ก, ลก ก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดชัดจนถึงคำให้จิตให้กายไหวไปตามพ่อผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วยึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆมาเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจ ไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อ ต, อตอนมาตั้งแต่การไหนไหนอยู่แล้วกิอเลทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพธธุทธเจ้าที่นับได้พอประมาณว่าแปด0มืสี่พันพระธรรมขันธ์ พระองไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลก <c oughs> เป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่ง <c oughs> ที่เป็นภัยจะหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเสี้ยนปักน้ําปักถูกคอแแหลาวต่างๆ มีความเจ็บปวดไปด้วยตามลำดับธรดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าอาเทียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตวเองแม้แต่เสี่ยงแต่น้ำ เ, เล็กก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมัน มีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภเทเช่นเดียวกันอุปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาไข้ครวญจากโอวาทครัวาจางสัง่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันออกทุกระยะร้ย นี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉยๆเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชเพียงรับทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทาหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตาม หน้าที่ของตนเพศของตนด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนงบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสะสารออกให้หมดด้วยความภาพเพียรเต็มทัศน์คุำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่ และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัต ร, ร์โลกเพื่อแก้กิเลสตหาอัสวะทุกประเภทด้วยหาขัดต่อพระ้าวาดที่ทรงแสดงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อย นั่นแหละพิษไทยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็าตามขัดแย้งวิ น, ย น, นัยในแง่ใดก็าตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวค่าสึกต่อธรรมต่อวินยัยสุดท้ายก็มาเป็นค่าสึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่ พร้อมอยู่เสมอที่จะสังสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรซ้ำเหนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจา้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑภายในกิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใด มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อธรมสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้ขีเดือดได้ด้วยกัน แต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือชือว่าขัดแย้งต่อธรรมหีดขวางธรรมของพระพุทธเจา้าแล้วก็ย้อนเข้ามาหีดขวางและเป็นภัยต่อตัวเอง <c oughs> นี่ลาใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านภูมาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่า ผิดพลาดจากหลักธรรมนี้นายแวผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดูด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นไผ่การดูด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีไผ่ในการสอนการให้อุวายแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลส จนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลรุบายของกิเลสเพี้ยงแพงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นค่าสิ่ต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข่าโจงตีธรรมภายในตนว่าท่านดุดาว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีหลังนี้เป็นตน้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคย ถูดลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอูบายวิธีคิดออกแต่ละแง่และมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัดเป็นธรรมเสมอไปเพราะเหเลสนั้นแหลมคมมากบางทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะ กิเลสก็เครือแฝงอยู่ในนั้นคอยตกคอยต่อยในขณะที่เราเผออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อาการบำเป็นของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทําขั้นต่างจนถึงการสูงสุดวิมุติพรนิพพานก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทําลายหลักอาธิธรรมที่ตนกํนลาลังดําเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลําดับนั้นอยู่เสมอ แต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจใช่ว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงนี้จะเรื่องของกิเลสกลุ้มรว ม, รมอยู่ภายในจิตใจอยู่อตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนั่นเองความเถอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอทำไม่ได้พาให้เผอกิเลสพาให้เราง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทํา ตัดให้ง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึด หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์นํามาสั่งสอนให้เราได้ยินอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วนําไปพิจารณาใจตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั้นไหมหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านใจตรองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือท่านตําหนิ กิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มากปัญญาก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับสติทำทั้งสองประเภทนี้ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะอียาบทใดแห่งการประกอบความภาเคเกียนทำทั้งสองประเภทนี้ มีความจำเป็นอยู่ตลอดอันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็ตามสติเป็นของสำคัญที่จะรักษาจิตใจให้คงเส้นคงวาอ ย, ยู่กับตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสถุดลากถะเหลยถลายไปเข้าสอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้น นี่คือความเถอผลาความเผลอในขนาดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเสียว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นก้าวสิทต่อจิตใจของเราอยู่ ท, ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทําขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกี่ขวางอยู่ทุกขณะอิกเนื่องจากมันมีกําลังมากชาติของเรายังไม่พอพอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้กลนุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเพลอนผ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย มารับความทุกข์ความลําบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอียาบทเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นยาบทใดที่กิเลสไม่ทำํำมานอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้ามาถึงทําในหลักธรรมชาติการดําเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้ว ตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึ ง, ถงจนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิะเลสตกไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องตั้งเลยเสกสันปัญญ้นหยอได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นนี่ในขั้นเริ่มแรก ปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะระยะไปหาก็ยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทําลายกิเลสดได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติ บำรุงปัญญาอยู่โดยลําดับแห่งความเปลี่ยนของตนนี่ละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทําอย่างนี้ผู้ดําเนินความภาคเกียนตั้งแต่ขั้นตนแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยับหยาบทำปรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นห ย, ยาบหยาจนกระ <c oughs> ทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไป จ, จากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจําใจรวลวนนั้นท่านทานไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่าง บรรดากนมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกนมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกนมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่าทาลายอยู่ทุกแห่งหน อิยาบุไรใดไม่เลือกการจสถานที่ทั้งนั้นแล้วเราจะหาอัตหาธรรมคือความสงบเย็ยนใจมาจากที่ไหนความที่เกียดที่ค้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกคลอนเอ็นเอียงไปมานี้แต่กิเลสตบต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นให้ฝืนทราบว่าเวลานี้กิเลสกําลัง ทำงานด่างออกหน้าออกตาซึ่งซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละลายละลาให้ทราบไว้เสียตั้งแต่วัดนี้ยาเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กาลังประกอบความเพียรจากห้ากิเลสในขณะเดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าทําและและฆ่าตัวเราไปด้วยใ น, ในตัวในตัวเองโดยไม่รู้สึกเหงกุอนอุบายของธรรม ที่จะให้ทราบคุณอุบายของที่เด็กเด็ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสําคัญมากอย่าห่วงอย่าห่วงอย่าเสียดายที่เด็กไม่ได้ให้สาระคุณอะไรแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันไรแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอมามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นํามาบวกลบคุณหารกันบ้างแล้วยังนักปฏิบัติไม่คิด ไม่เที่ยบเทียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักผู้เบาในสิ่งดัง น, นี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้ยึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาเวลาตายเปล่าๆปล่ า, าไม่เกิดประโยชน์ผ้าเลื้องอยู่ที่ไหนก็เมืตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ค่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียร นี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มทัศน์ทีกำลังความสามารถยิงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็เนเสียงใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนยากแต่ใครจะยากก็าตามและอยากก็าตาม เพิ่งทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ทำเป็นเรื่องของกิเลสต้นล้วนด้วยกันใค้จะยาละเอียดแค่ไหนนีส่สายวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประดายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบ นักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าสึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติเอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเกลียวเียวกันละ่ะไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะอิอันเดียวกัน เพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนี่ผ่านที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี้แท้ๆทางานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิงง่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไมไ่ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคําที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตํำรับตํานานนั่นคือชื่อของสมาธิ สมาธิแท้อันแท้จริงนั้นะ่ะจะเกิดขึ้นภายในกิตตัวกําลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสทั้งหลายเวลานี้เพราะอํานาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนยันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สําเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นทำนี้เป็นทำเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคําว่าลากกิเลสละสมัยต่อกิเลสนี้ไม่ม ถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคลอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเสื่อๆสาๆเงื้อเงาเ ง, งเหมือนเรา เรานี้เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเสื่อมมันซ่า ح. มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งหมดแต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมขมมากแต่ทํามนุษย์ทําสัตว์ให้โง่ามากก็คือกิเลสทํามนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอํานาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทํางานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดู ตัวกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะเทียบมันแหละความเขียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมันที่จะกำอําอนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำํำและเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทําหัวใจนั้นให้งงบางทั้งที่ตัวมันฉลาดที่สุดมีเวลานี้เราเป็นยังไงจิตของเรามันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไร ตายโง่ถ้าม่ใช่กิเลสตายโง่แ้วเรายังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อานาจของมันอีกอยู่หรืออานาจของมันที่ท้าให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานีคนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลําดับตํานานับได้หรือไม่ได้ก็าตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถอด จะเคยตายมากี่กับกี่กันจะมาอยู่ในวงปั จ, จุบันธรรมคือดวงกิจนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นมาเพราะอํานาจแห่งกิเลสตัณหาอสระอวิชชาปัญญาสร้างข้าราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหะคือตัวเหตุตัวการสําคำัญถ้าพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุด ยอนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความไริสุทธิ์ที่ขาดจากกันกับกิเลสปัสวะและขาดจากพบจากชาติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักปรปุวัตนาสุนัดทิดานิปุนัพโธความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกราศเมื่อไหร่ ก็พ่อไม่ทราบเรื่อนสาตายเหตุอะไรเหมือนเรา เ, ราเราท่านท่นแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในกิจตั้งพิสูจน์ที่กิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัด่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงงูปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันทําอํานาจไว้หมด สิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลยจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ เ, เกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสจำหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไหรตัวจิตจิตนี้เป็นตัวสําคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่ กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นจริงเหล่านี้พอจะเห็นโทษแ่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนั่นกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจํานวนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์น่ะเป็นเรื่องของใครมาพูดนี่มันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้ถางนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลส ต, ตัวปิดบงัง อย่างมิดคิดนั้นจะมีที่ไหนอะไรอะไรกันที่ไหนมาปิดบงัง จ, จิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนั่นนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ําหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวว่าเคยเกิดยังจะว่าตัวศูนย์ ท, ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับปรปรับกันไปได้เพราะอำนาจของกิเลสครอบ ตัวนั้นไม่อย่างมีจิตไม่รู้เหตุรู้ผลต้นปายที่เคยเป็นมาของตอนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเถอะบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัศน์ใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัศน์นู้นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัศน์เรื่องของเราที่เป็นเทวทัศน์ต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทําไมไม่คิด เอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าเดรู้ทรงรู้โดยเหตุผล ก, กลไกอันใดประฐานไว้หมดแล้วทางสายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไปแยกกันอมาเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภ า, ายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหน ไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนเทอมานคือการภาวนาเป็นสำคัญนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอมีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใ ด, ดที่จะเพ่นเพ่นพ่านออกไปด้วยอำนาจของจิตเรสผลักดันให้ออก จะมีอารมณ์แห่งทำบทดใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทำห็นกำหนด อ, อนาพาณสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เมสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นทํานั้น จิตะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเ ล, ะลาะไไปให้อยู่กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคําบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้จิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กําลังที่เคยวุ่นวายมา หนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิพสูจน์จะทราบตั้งแต่เรื่องนี้ไปท่ามพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นจอมโกหกให้เราเห็นโทษมันจะมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากําลังจช น, นะปฏิกาลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติพุทโธกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละ หมดสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอํา น, นาจลักษณะไม่มนี่กิเลสมันมาลบล้างซะหมดปัญญาของเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรานี่มันหลอกอย่างนี้อในฉากเดียวกันน่ะเอาให้เห็นลบล้างกิเลสประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพีเยรอย่างเข้มแข็ง บงังคัาบัญชาด้วยสติทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทําไมเราเองจะไม่รู้อิจแท้ๆเป็นผู้ที่จะรับรองใน พ, นพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบําเพ็ญของเราเนี่ก็บําเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทําไมจะรู้ไม่ได้เมื่อสมาธิ มีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในกำนดตันานหรืออยู่ยินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้น่ะด้วยวิธีการที่ทําได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่นี่นอันหนึ่นงท่านหนึ่งนี่คําว่าสมาธิก็คือความสงบ ความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแนบแน่นแล้นท่านให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภ า, า, ายในจิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใคร ความอิม่มหนำสำรานก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิมก็ตาม <S <S หากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มน้ำสำลานในธาตุอาหารเพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้รู้ไปริมาณจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จําเป็นอะไรจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่า อิ่มขนาดนี้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจําเป็นไะนรจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่อยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่นี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นพานาจังตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อเนะนี้ยสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นสเบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทํางานได้อย่างหายกังวล ขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นสัญญาด้วยอํนนานาจของกิเลสใต้หมดใครจะไปรู้ร่ำเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่ากับผู้ท้เจ้าเาพราะจริงสอนอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจะจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาทําการทํางานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นักตั้งหน้าตั้งตาทําให้แล้วก็เห็นเหตุเห็นผลตามเรื่องของปัญญาโดยดําดับตํญญาดานั่นคือการข้าออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆ เพื่อปัญญาขั้นนั้นหน่ะเมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปปัญญาเลยกล้าเดิอนออกไปเห้นเหตุเหงผลในเรื่องอนิจจังทุกขังนัาตาซึ่งเต็มอยู่ภายในร่างกายและขันห้าของเราพูนยังไงแล้วกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้ยวยอนิจจังทุกขังนัาตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่มดเป็นอันในขึ้นชิวัดแดนสมมุตินี่แล้วคือแดอนอนิจจังทุกขังนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือซึ้งด้วยปัญญาของเราแล้ว มันจะส ง, สงสัยอะไรอีกนี่มันจะยึดหน า, หนาเนี่น ย, ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่งโร่งความสําคัญผิดควอมน่าของกิเลสเท่านั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทําลายกิเลสไปถึงนั้นทําลายอุปทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้นี่อ้าวเราจะพูดถึงเดิมอิอสุภาอาสุพังก็ดูที่ร่างกายของเราหี่มันตรงไหนที่มันมีความ สดสวยงดงามมีเศษสรรปัญญาตา ม, ตามปุณมยาคงเครดทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิงให้อุปทานมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำพี่นาให้เห็นท้เจียนี่คือปัญญาแยกยให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กาลังทาอยู่นี้เท่านั้น ว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นกิดเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจอ่อมีสติควบปุ่มกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเทียงกับหลักคําจริงที่เรืเจ้าว่าเห็นอสุภะอสุพังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบตรง้าให้สูงเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นที่เทียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่น ะ, ะเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังยั่งยืนอะไรทํานองนี้ นี่คนมาย้อนคิดมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานำสติปัญญาไก่กรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันตั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินนั้นหลงไปเป็นของเดิมค้นลงไปคน้นลงไ ป, งไปจากอรูปะสุพังนี้แล้วกลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกหรือว่าภายในเป็นธาตุแตเสียหมด เป็นอ้นจังทุกอย่างตาแล้วทั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดิอนอย่างนี้เดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็าตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผิดปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามมันไปพอถึงขั้นเต็มกําลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหานชานใครต่อ การทำหน้าที่ของตนปราบรกิเลสปัญหาสภาวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่ฟันเป็นฟันเป็นเกียวเดียวกันพันกันไปเลยเหมือสติกับปัญญาเราที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่งท่านอวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคําว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความพุ่งสงร้นงําคานออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าทัดขันนี่คือ แท่งแห่งทองทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้อย่างไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้อย่างไรปัญญากําหนดจดจ่อลงไปพี่คลาลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนีิยังทุกข์ขางายเต็มหัวใจเต็มโลกกถาอันไหนที่เป็นที่เป็นหน้าอยู่เป็นสิ่งที่หน้ายิ้น่าถือหน้าเกาะน้าราาักใครชอบใจหน้าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหน ปัญญาที่คายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรจะดักมันก็ถอนตัวเข้ามาแล้วสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถึงมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาหน้าอ่านั้นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกายนี้มันพิจารณาได้อย่างชัดเจนช่ำชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมันปล่อยของมันเองไม่ต้องบอขอให้ปัญญาได้อย่างถึงความจริงเต็มที่เถิดในขั้นไในก็ตามขั้นรูปประธรรมมันก็ปล่อยข้างมันได้เต็มอกเต็มใจ ต่อต่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละอ่านี่เป็นขั้นยาบเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียดอ่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุปเปกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายได้จิตใจแต่ทําคันใจเป็นผู้หลงเป็น ผ, ผู้ประยุติเราก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาเพราะ ตากดขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช้กิเลสเข้าไปเครือบไปแฝงไปบังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเบกขาเป็นเร า, ป เ, า, เ, ป เ, ราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิต ใ, ใ, ใ, ใจนัน้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไป เมตนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐานสีไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนือมน่มนาดของใจจึงต้องสุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละอโดยไม่รู้ว่าความจริงนี่มันเดยไม่รู้ว่าตัวเหยียบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไป ม น, นาการที่ใครการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกียวกับธรรมคือความจริงร่วนๆมีออกได้โดยดําดัดดําดัดจิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นอ น, นิจจังทุกขังตาอย่างซึ้งภายในใจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้ มันจะสารางหลั่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นพายในร่างการนี้ออกหมดโดยสิน้นเชิงรู้ประจักษ์กับหกับกิจไงเวทนากายเวทนาก็เหมือนกันนั้นจะกัณแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างในอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตน เป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงทั้นสุดแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติเข้ามถ้ากจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้งสามแยกตัวออกแยกตัวออกโดยลํานับลำหนั บ, นบไอ้สัญญาทั้งขันไม่ต้องพูดทั้งก็เป็นอาการอันเดียวกันนะ่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองไร้ลักทั้งหมด น, นี่จังทุกขังอนัตตาแล้วเบิกออกเบิกออกกิดถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนานนๆนมันชัดอย่างนั้นเจงชื่อว่าผู้ปฏิมิเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิฏิโกสันทิธิโกเห็นเอง เมื่อได้กุ้ยเคียวกุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นหนีเงี้ยกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์เรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับกิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่นั่นจะฐานที่ที่เราไม่อาจเอื่อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ทูกกิเลสตัวจำปลอม ปิดปังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลายังไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยพุ่มห่ อ, อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดป้องจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกไปเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะ สติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบต่อกันระหว่างขันกับจิตรูปเสียงกินนรสกับ น, นี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลามากไปเอาในระหว่างขันกับจิตรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันร่ังขันกันวิญญาณขันทราบตามอาการของมันขึ้นเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชา ตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่ผัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้นี่กําลังของสติกําลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทําลายจิตอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียวแล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือ อ้าวที่นี่ทําไมจะไม่รู้ที่นี่เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยกู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื่อที่สืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกันกบจิตมากน้อยเท่าไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับกิเลสอาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิด พบเกิดชาตขาดออกไปหมดแล้วจากจิตไม่มีจิตเนื้อือนั่นแลเป็นจิตที่ยืนยันปฏิ ญ, ญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วท้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยล ไ, ลไปหมดแล้วจากใจเพราะอํานาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเปื่อของเรา เร่งเรื่องความเกิดตายแต่ก่อนมันเป็นมาจากไหนจะประสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากพิเรนต์ตัเภศต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชาปฏิยาสังขาเนื้วสิ่งเหล่า น, นี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตตรงนี้ก็รู้ชัดๆเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอาถานั่นแล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติท่านเห็นความจริงแห่งธรรมตั้งไหนรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้มนสถานที่นี่ เวลาเวลาให้เสียให้ใหลอกให้ถูกถูกกิเลสมันหลอกไปนู้นหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ส่องสูมอยู่นี่อยู่ที่หัวใจนี่อืมชาติปิดดูขาชลาปิดดูขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกไปจากดวงใจเป็นเชื่ออันสาคัญให้เกิดพบนั่นพบนี้คืออวิชชาปัจจัยนี้เมื่อถูกทําลายแล้วขาดสะ บ, บ้าต้องไปลหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุโทโธที่นี่ไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆอ่าไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมต ซึ่เป็นคู่เคียงกับพิเลกประเภทต่างๆภายในใจนั่นก็ยืนยันได้ภาย ใ, ในตัวเองอวันนัดถิ่ดานิปุนัปทวโรความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงถ้าเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมที่นี่ แล้วนั้นหลืศูนย์หมนั่นเห็นไหมเรียนให้ถึงนี่ให้ถึงจิตสินี่เราจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตทอดยิ่งเลียดพาให้ลึกเอาตื้นที่สุดจนประจักษ์ใจ ก, ก็ก็คือจิตเพระาะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมายิ่งเลียดล่าลงไปลึกจนจมเม็ดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ ขอให้มีความเพียรเขาแล้วกันนี่นนหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายม า, งงายังไงต่อนยังไงหรือตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยอย่างไรไม่สนงอืยใครจะว่าเป็นอย่างนั้นตื็นองนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเถอะขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดละเรื่องความหิวโหวย ความโยกโยกความชอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งอันนี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จรงนั้วปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสาคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ยผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกนี้ไปได้โดยไม่สงสัยปัจจิตปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้ น, นํามาแก้กิเลสมาแก้กิเลสมิเท่านั้นหน้าที่ของสีปัญญา เมื่อถึงขั้นความจริงนี้จะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนกปฏิบัติดูที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสําคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอเนี่ยผู้นั้นะ่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกนี้ไปได้โดยไม่สงสัยปิติปัญญามีแล้วหงุงต้มแกงไม่ได้นํามาฆ่ากิาเลสมาแก้กิเลส น, นี้เท่านั้นหน้าที่ของปิติปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียน ผมนั้นมีความห่วงใ ย, ยหมื่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งมสบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก่อนมันมีหลายอย่างอุปสรรคลุ่งไปหมดหาความสงบสงัดไม่ได้เทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดนนั้นเพราะความไม่สนิทใจใเสียงกรรกราดกระแตกกระโกรดกระดากเสียงนั้นเสียงนี่รือคึกคักคกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจวันนี้จริงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มี ยังมาประชุมแล้วให้การอารมณ์สั่งสอนห่เพื่อนฟังให้ถึงใจนี่เทศอย่างถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเปลี่ยนของตนนี่หลังงานของพระเอาให้จริงให้จังใงานนี้สําเร็จเถิดไม่มีใครมาเสกสรรบัญญาว่าเสดวิเศษก็ถามเถิด มันนักรู้อยู่ในตัวเองอยู่ในนี้แหละประจำหน้าที่และเพศของโลกไม่มีใครอยู่เฉยๆได้ในแดนมนุษย์รวมทั้งสัตว์ด้วยมีงานประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบรรดาจัต์มีอย่างนั้นส่วนมนุษย์นี่ยังมีความเด่นไปอีก มากกว่าสัตว์ก็เกี่ยวกับเรื่องความโลภความไม่รู้จักประมาณให้มีเมืองพอมนุษย์นี่มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษแต่ว่ามนุษย์ฉลาดหรือว่ามนุษย์งโง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาคือโดยขอบเขตเหตุผลความพอดีของตัวแล้วเพศของมนุษย์มันก็มี เนี่ยที่ว่ามนะมีภาระมากกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นยังลำพังปากท้องการใช้สอยสำหรับความจำเป็นในเรื่องของมนันเราก็ไม่มากนักในบรรดาภาระที่จะต้องหมุนตัวเป็นเดี่ยวแต่นี่เป็นเรื่องพิเศษคือกิเลส ขาดไม่มีเมียงเมงพออย่างนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวผสมกันเข้าซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นจริงเป็นแขนงและเป็นรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสทั้งนั้นมาทำให้มนุษย์เรานี้หมุนตัวเป็นเกลียวรวมแล้วเรียกว่างานมนุษย์ไม่มีคนใดที่จะอยู่ได้เฉยๆตลอดถึงสัตว์ต้องยิ่งเต็มขวัขวายู่เช่นนั้น มีเราเป็นมนุษย์เหมือนกับโลกทั่วไปก็จริงแต่เราเป็นเพศนักบวชมีความรู้ความเห็นเจตานาและความมุ่งมั่นผิดจากบรรดาจัดทั้งบรรดาโลกทั้งหลายไปคนละแง่ะละทางเพราะจะนั่นหน้าที่ของพระตลอดจรยิยธรรยาตการแสดงออกต่างๆจึงมีแตกต่างกับโลกอยู่ไม่น้อยการแสดงออกของนักบวชคือพระเราย่อมจะ แสดงออกด้วยความมีสติด้วยความคิดอ่านแต่จองเรียบร้อยแล้วยึงแสดงออกมาภายนอกแม้อยู่ภายในก็ยังต้องให้พินิพิจารณากันว่าจิงใดที่เป็นความคิดผิดคิดถูกประการใดแล้วค่อยแสดงออกมานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นจิตการงานของพระเราที่จะต้องทําตัวเป็นอย่างนั้นเสมอไป <c oughs> นอกจากนั้นงานประจําอันเป็นงานสําคัญหรือหน้าที่ของพระโดยตรง ก็คือการบำเพ็ญภาวนารักษาศิกขาบทด้่นหนน้อยใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ <c oughs> ภายในเพศของตนเรียกว่ารักษาสิ่งที่เป็นสาระที่จะพึงได้จากความเป็นนักบวชของเราไว้โดยดีนอกจากนั้นก็บำเพ็ญความภาคเพียรในด้านกิตตภาวนาะเดินจงกรมเพื่อชำระจิตใจให้มีความสะอาดผ่องใสมีความสงบเยือกเย็น นั่งสมาธิให้จิตได้รับความสงบตัวเพราะงานของจิตมีอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถแต่มีความคิดปรุงอยู่เช่นนั้นเรียกว่างานประจำไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความคิดความปรุงอยู่เสมอนี่คืองานของจิตเราต้องการจะเลือกเฟ้นงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนี้ให้เป็นงานที่เหมาะสมเป็นสาระคุณ นี้เป็นประโยชน์แก่เรายังต้องระงับดับความคิดตรุงทั้งหลายที่เป็นเครื่องก่อกวรจิตใจและทําให้หาความสงบไม่ได้นั้นลงไปโดยลําดับจิตได้รับความสงบเยือกเย็นเรียกว่าปล่อยวางภาระทั้งหลายคือความคิดตรุงต่างๆแม้ที่สุดเมื่อจิตได้รับความสงบ ต, ตามภูมิของตอนแล้วยังต้องปล่อยวางจนกระทั่งคาวยกรรม ภาวนาหรือบทธรรมต่างๆเข้าภากิจอยู่ด้วยความสงบ <c oughs> นี่ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เราจะพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราอันเป็นอัตสมบัติของเราโดยแท้ปัญญาคือความคิดอ่านแต่ตรองในทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งไกลอริยอนาคตสิ่งที่มาปรากฏสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้สติปัญญาได้ พิจานณาเลือกเฟ้นใส่รองดีแล้วสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยสิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสาระคุณต่อจิตใจต่อไปก็ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นสาระก็เลือกเฟ้นตัดออกโดยลำดับแม้จะเสียดายเพียงไรก็ทราบแค้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสาระคุณอันใด น, นอกจากจเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดยแท้เดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นงานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนัก เพราะความฝืนกระแสของจิตที่เคยคิดมาดั้งเดิมด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาถ้าเป็นทางก็เรียกว่าทางเปี่ยนโลงไปหมดเพราะคิดทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปกลับมาบกเยนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของเก่านั้นเนี่ยตลอดเวลาจนหนาเลือยไปหมดอมกระแส ข, ของความคิดคิดได้อย่างสะดวกสบายตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเพราะกิเลสเป็นเครื่องหมุนตัวพาให้คิดจิงต้องคิดไปใน สิ่งที่เป็นกิเลสได้อย่างคล่องใจไม่ต้องมีสติแต่เราจะหักห้ามสิ่งเดียวนี้ด้วยประโยคพยายามที่เรียกว่าความเพียร น, นั้นจึงต้องได้ฝืนกันเป็นธรรมดาความคิดใดก็ตามคำพูดใดก็ตามการกระทาทางกายใดก็ตามท า, ทางกายจะเป็นงานใดก็ตามเราจึงต้องได้พิจารณาและหักห้ามในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเหล่านั้นให ชัดแจ้งด้วยปัญญาของเราด้วยดีก่อนเราจรึงจากดังนิงนงานนั้นๆไปได้นี่สรุปความลงแล้วเรียกว่าต้องฝืนทั้งนั้นเราจะต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องฝืนเพื่อสารคุณที่ตนพึงประสงค์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องฝืนเมื่อไม่ฝืนเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเราปล่อยจิตใจของเราให้เป็นตามกระแสของกิเลสมันผักดันไปอย่างคล่องตัว โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละผู้บำเพ็ญตน <c oughs> จึงต้องอาศัยความฝืนหนีรถมาอาอีกเสียงแก๊กแ๊กกันไม่ฝืนไม่ได้เราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักฝืนต้องฝืนอยู่ด้วยความฝืนนั่งยืนเดินนั่งนอนด้วยความฝืนคือ เป็นอาการของการต่อสู้ไม่ใช่การปล่อยตัวการความอยู่สะดวกสบายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิน้นการปล่อยตัวปล่อยไปตามนาจของกิเลสยุ่มไปหมดจึงไม่สมควรสาหรับพระเราให้มีความหนักแน่นมั่นคม ในหน้าที่การงานของตนอย่าได้ห่างเหินถือว่ากิจนี้เหนื้อชีวิตของเราเพราะชีวิตนี้กระลงแค่ตายเท่านั้นแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเหล่านี้เป็นคุณสมบัติประจําใจเกี่ยวข้องกับอนาคตไปไม่น้อย <c oughs> ถ้าหากเราได้พยายามบําเพ็ญตัวของเราเต็มสติกําลังความสามารถแล้วคุณสมบัตินี้จะติดแนบกับใจ ในขณะเดียวกันก็ตัดกระแสแห่งการต้องเกี่ยวในวัฏสงสารซึ่งเคยเป็นมาอย่างยืดเดยาวนานและเปะเป็นไปอย่างยืดเดยาวนานให้สั้นลงไปดูลำดับบจนถึงกับตัดขาดอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ล้วนภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันสูงส่งไม่มีคุณธรรมใด จะนอกเหนือไปจากใจที่บริสุทธิ์ร้่นๆนแล้วนั่นเลก <c oughs> นี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝืนฝืนทุกระยะอย่าหาความสะดวกสบายเพราะอำนาจของกิเลสถักดันไปเราต้องการความสบายเพราะการปราบปรามกิเลส ให้มีกำลังลดน้อยลงไปโดยลำดับและกิเลสดับไปเป็นขั้ น, น, น, นตอนๆเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมด้วยเป็นความประสงค์ของเราด้วยเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประธานทมแก่สัตว์โลกไว้ด้วยความเมตตาด้วยนี่เป็นทางธรรมงานของเราเป็นงานชำระสาสางเพื่อบาบางภายในจิตใจของตนไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสอาสะวะ <c oughs> จึงต้องคำนึงถึงตนเสมอ ยาคิดสิ่งใดให้มากนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวของใจอันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องใช้ความสนใจอย่างมากด้วยสติและปัญญาพิพจิตรณาอยู่โดยสม่ําเสมอจิต ด, ดังนั้นก็เทียบกับว่ามีพี่เลี้ยงเด็กเหมือนเด็กมีพี่เลี้ยงคอยดูแล <c oughs> รักษาอยู่เสมอก็ปลอดภัยจิตใจที่มีสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขันคอยระมัดระวงังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิต จิตย่ำได้รับความสะดวกสบายและนอกจากนั้นยังมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตไปโดยลำดับในระหว่างเดินทางมีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาฟาดฟันหันแหลกสิ่งที่จิตขวางลวงใจนั้นให้ขาดลงไปโดยลาดับลาดับใจย่มจะปลดเครื่องภาระไปได้ภาระก็คือสิ่งที่ เป็นของหนักกดถ่วงจิตใจนั่นแหละ <c oughs> เมื่อปัญญาตัดขาดธาระเหล่านั้นไปเป็ น, นขั้นตอ น, ตอนจิตย่อมมีความสงบเยือกเย็นมีความป่องายมีความสงา่าผ่าเผยองค์อาจกลาหาญนอกจากนั้นก็กลาหาญฉานไฉเป็นชั่วกิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดเป็นไม่ถอยเนี่ยบอกกลาหาญ เ, เต็มที่เพราะเหตุไหไเพราะเชื่อกําลังสติ ป, ปัญญาศรัทธาความเพียรของตน เมื่อยังเชื่อตนไม่ได้แล้วก็ต้องลม้มลุกคุกคลานเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถูกฝ่าเท้าเขาเตะกลิ้งไปน้นกลิ้งไปนี้อ ย, อยู่ไม่หยุดไม่ถอย ห, หัดหุดหมัปลายทางไม่ได้เตะออกไปข้างนอกแล้วเตะเข้ามาข้างในเตะไปมไปเย็นมาอยู่เช น, นั้นมาเกิดผลประโยชน์อะไรนี่แหละการต้องเกี่ยวในวัตถุสารเหมือนลูกฟุตบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกลิ้งไปตลิงมานั่นแหละนี่ก็คือกิเลสมันถีบมันเตะ จิตใจของเราให้เข้าสู่พบนั้นเข้าสู่พบนี้แม้ในวงปัจจุบันคืออัตภาพนี้ก็ถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติหรือความไม่มีปัญญาเครื่องทัดท้านต้านทา น, ทา น, ทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสุขความสบายต่อใจิตใจได้บ้างเลย <c oughs> นี่เป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับเราที่เป็นนักปฏิบัติจงทําความเข้าใจกับตนเองอยู่เสมอยาได้ละปล่อยวาง หน้าที่การงานของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิ่อเลือทั้งหลายยิ่งกว่างานของเราที่ทําด้วยความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจพระพุทธเจ้าจะประเสรเิฐเลื่อโลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราทําอยู่เวลานี้ท่านทรงทำทรงบําเพ็ญมาแล้วทั้งฝ่ายเหตุและผลเป็นที่พึงพอพระไใยแล้วจึงได้นาอุบายวิธีต่างๆนี้มาสอนพวกเราให้ดําเนินตาม จงดำเนินตามหลักของศ า, ศาสดาว่าสมกับนามว่าพุทธังสนามกัญชาณิยมทำมากน้อยตั้งแต่สมาธิทำปัญญาทำเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปเรืดับๆจะปรากฏขึ้นมาจากจิตใจจากนั้นกับวิมุตติธรรมแยกจากกันไม่ออกเมื่อการดําเนินของเราให้เป็นไปตามกรองอัดกรองธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแล้วอยู่แต่ต้องเป็นไปอย่างนั้นสําหรับผลเราให้นึกน้อมถึงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด นึกถึงทำรรเป็นหลักใจเสมอเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาในขณะใดให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ะระลึกถึงพระสงค์ที่ท่านอุตสาพยายามดําเนินมาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละองค์นั้นไม่ใช่เป็นของได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่เอาชีวิตจิตใจเข้าแรกเป็นส่วนมากในตํำรับตําราท่านแสดงว่าอย่างนั้น เราจะมาล้างมือเปลืออกเฉยเฉยมันก็ขัดต่อสวรรค์ที่ท่านเคยดำเนินมาอย่างไรแล้วขัดต่อธรรมคำส่งสอนคําพูดที่เจ้าดุจผู้มีความเพียร น, นั่นแหละเป็นผู้ที่จะดุจพ้นจากทุกไปได้ความไม่เพียรแต่จะดุจพ้นจากทุกนั้นไม่เคยมีในแบบในฉบับใดเลยหลักคาสอนคำพูริจ้าไม่มีเราจึงไม่ควรเอาความอ่อนแอทอถอยซึ่งไม่ใช่ความเพียรและเป็นค่าสึกต่อความเพียร น, นั้นเข้ามาใช้ในวงการ ปฏิบัติของเราจะเป็นการขัดแย้งต่อศาสนธรรมและหลักของศาสด า, าที่ทรงสอนไว้ทุกแน่ทุกมุมตลอดการดําเนินของท่านและสาวกทั้งหลายจะเป็นการขัดแย้งไปหมดเป็นฆาตศิษต่อท่านด้วยเป็นฆาตศิษต่อศาสนธรรมด้วยสรุปความแล้วก็คือเป็นฆาตศิษต่อเราโดยตรงให้พากันดิษหลักนี้ไว้ภายในจิตใจยอย่าได้ลดละปล่อยวางเราจะถือ ความลำบากลาบนในการประกอบความภาคเพียรเข้ามากีดขผางรวงใจอันเป็นอุบายของกิเลสหลอกเรามานานอันใดที่ยังมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญชันชัยอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมเราให้มีความก้าวหน้าในทางด้านธรรมะเป็นขั้นๆไปนั้นให้พึงนำอุบายนั้นมาต่อต้านกันกับความท้อถอยอ่อนแอซึ่งเป็นอุบายวิธีการของกิเลส ที่เคยใช้กับเรามามพยายามแก้ไขอย่างนี้สติปัญญาเราคิดได้อ่านได้เกิดขึ้นกับทุกคนขอให้นํามาใช้การนั่งสมาธิถึงขณะที่จะให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของสมถะก็ให้ทําอย่างจริงจังตามหลักของสมถะเวลาที่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็อย่าห่วงสมถะอย่าเป็นห่วงสมถะอย่าไปติดสมถะคือความสงบใจให้ทํางานเต็มเม็ดเต็มน่วย จะรู้สิ่งใดก็ให้รู้ด้วยปัญญาด้วยความตรวจ่อต่อกันขแขนงกันจริงๆนั่นจริงจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสได้ลดน้อยลงไปเพียงไตรตลอดทั้งกิเลสขาดเป็นมักเป็นตอนแต่ก็ทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุก ป, ประเพณไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือทัศน์ปัญญานี้ไปได้เลยได้เลยในวงแห่งเครื่องมือการชำนะญซักฟอก จ, จิตใจทั้งหลายสมาธิเป็นต้นทุนให้ จ, จิตใจได้รับความสงบไม่หิวโหวย ไม่ดิ้นรนกวดแขวงเวลาเรานำไปใช้ทางด้านปัญญาจิต ก, ก็ตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่การ ง, งานของเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบผิดกันกันกบจิตที่กําลังหิวโหวยรุยแรงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกแง่ทุกมุมด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วจะนําจิตประเภทนี้เข้ามาสู่ด้านปัญญามันก็ทะเลทรายไปเติมสัญญาอารมณ์นั้นเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่า สมาธิปริภาวิตาปัญญามหพลาโหติมหิสร้าง้าสมาธินั่นแหละเป็นต้นทุนของปัญญาหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำงานด้วยความสะดวกให้ทำงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสะดวกราบรื่นนั่นท่านพูดอย่างนี้แต่ถึงคราวที่เราจะใช้ปัญญามาปฏิบัติต่อจิต ด, ดวงผ่าผลโน้นเต้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็น เรื่องของกิเลสแล้วก็ให้นํามาใช้ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าปัญญาลมสมาธิมันคิดไปในแง่ใดมุมใดอันเป็นเรื่องของกิเลสตามตนน้นมันมาด้วยสติปัญญาจนกระทั่งจิตหรือกิเลสมันจนกรอกเป็นมุมยอมรับความจริงจากด้านปัญญาแล้วมันก็สงบตัวลงไปความสงบประเภทนี้มีความแกว่งกล้ามากมีความอาจหันมากทั้งในขณะที่มีความสงบตัวก็สงบได้ลงอย่างอาจหาันรู้เหตุผลต้นมาโดยลําดับเวลาถอนขึ้นมาแล้วก็มีความกล้าห า, ชานชาันชัย มีความกระยิบต่องานทั้งตนที่เคยทํามาแล้วและยึดไว้เป็นหลักใจไม่มีวันลืมกระทั่งวันตายนี่คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอุบายที่สมาธิอบรมปัญญาก็เรื่องของอุบาสมาะานี่อุบายของปัญญานี่คือปัญญามาอบรมให้เป็นสมาธิไล่ตีตอนจิตที่มันกาลังผาดผลโลดเต่นนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นได้ด้วยการยอมจํานวนต่อปัญญานี่ เวลาใดขนาดใดที่เราจะควรนำมาใช้ในทรรมแย่ใดเราก็นำมาใช้เพื่อประโยชน์สาหรับเราเองไม่มีอะไรขัดข้องการเกิดตายไม่ควรสงสัยแล้วเราเป็นตัวเกิดตัวตายความทุกข์ความลำบากติดตามมากับความเกิดต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายไม่มีระยะห่างกันเลยกับตัวของเราชาติปิตุขาเวลาเกิดมันอยู่ในท้อง มันก็ทุกทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วเพระาะว่าตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากมายเรียกว่าเดนตายถึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เรามองข้ามจุดนี้ไปเสียพ่อคนใดเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเกิดขึ้นมาแล้วดีอกดีใจอืความทุกข์ความลาบากที่เด็กตกคลอดออกมานั้นไม่ได้คำหนึ่งจึงมองข้ามความจริงไปชาติปิตุขาเลยไม่เห็นโทษแห่งความเกิด ที่นี้ก็ออกแค่นั้นก็ไปตำหนิความตายไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยเธอมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วตอนตายมันก็ผิดเราได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของหลักธรรมชาติอันเป็นหลักธรรมแล้วว่าการเกิดนี้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเห็นประจักษ์แล้วแล้วการแก่ชราคขำคร่าลงไปมันก็มีทุกติดแน้ไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะตายแล้วเราถึงตายไปมีความทุกข์แสนหักจนทนไม่ได้ต้องตายนั่นเองเ น, นี่เป็นไปอยู่ กับจัดกับบุคคลทุกพบทุกชาติทุกอัตภาพร่างกายไม่มีอัตภาพใจที่จะเดินข้ามความทุกนี้ไปได้นับแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายต้องเป็นไปกับความทุกข์อย่างแนบสนิทติดกันแยกไม่ออกนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ต่อสัตว์โลกมีอยู่ตัวเราทุกคนเราเป็นนักพิจิตรพิจารณาด้วยความทักเปี่ยนมีสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกให้เห็นความจริงเหล่านี้ทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราเราก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ มีอยู่กับอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นคิดว่าทุกข์ไม่ทุกข์ที่ไหนนอกไปจากเบญจขันธ์กับจิตใจที่ซัพปัดซ้ำพันธกันอยู่นี่เป็นสําคัญถึงคนพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงไม่ควรสงสัยเรื่องความเกิดความว่าจะมีความสุขความสบายสําราญมานใจในภพนั้นภพนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์อันนี้ทั้งนั้นแหละตัดเรื่องเหล่านี้ออกเสียสิ่งที่เป็นสาเหตุ ข, ของเรื่องนี้คืออะไร ท่านก็นกล่าวไว้แล้วอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณหนังจนกรทั่งถึงนุาาบบาา่นน่ะชราบรรณโสกับปอเทบาทุกมารมาุปายอยาา่าสับผิดทุกขาหน่วงไปอย่างนั้นนี่นั่นน่ะปลายของมันผลทั้งมันเป็นระจากอาวิชชานี่แหละตัวผิดทุกข์ทั้งหลายจับสัตว์ใสเข้าไปในภพในชาติใสเข้าไปในกองทุกข์ก็คือยิเด็ดตัณหาสิว่าถ้าเห็นสิงเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อ ตนเองอยู่แล้วทำไมความเพียรจะไม่มีความแก่กล้าสามารถไม่มีความบักบั่นไปในตนเป็นไปได้เหรือมนุษย์เรานอกจากจะพิจารณาแบบเพินเพ่นเผินมองอะไรก็ดีดูอะไรก็ดีให้กิเลสพาดูให้กิเลสพามองให้กิเลสพาทําให้กิเลส พ, พาคิดมันก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นไปตามเรื่องของกิเลสท่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของธรรมถ้าทําพาคิดทําพามองทําพาพิจิตพิจรารณา แล้วจะไม่ข้ามความจริงจะตรงเต็งกับความจริงทุกระยะระยะแล้วทราบความจริงอย่างซึ้งใจไปโดยลำดับไม่ต้องไปถามใครเพราะสัจธรรมมีอยู่กับเราทุกคนอืทุกผังอาเดียส จ, จังมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธาตุในขันในจิตใจของเรานี้สมุทยัยยะอาเดียสจังถ้าไม่มีอยู่ในใจจะมีที่ไหนมันสําผัดสัมพันธ์มันบีบบังคับกันอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เห็นถ้าเรามีปัญญามากับปฏิบาทาหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสมาธิสัมมาสังกปรสัมมาสมาธิเป็น บทสุดท้ายจะหมายถึงอะไรนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องสอดส่องมองดูทุกกษัตริย์สมุทัยยศถ้าเห็นทะลุปูปลงไปหมดด้วยมกักคกษัตริย์มีสติปัญญาเป็นสําคัญแล้วเมื่อเวลาได้มองทะลุไปแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปโดยลําดับลาดับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์นั้นเป็นผลของมักที่ทําหน้าที่ของตนได้มากน้อยเพียงไยรยิ่เดียดตายไปมากน้อยทุกข์ก็ดับไปเรื่อยเรืยอยโดยนิโรธก็ทําก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนิโรธไม่ได้ทํางาน แก้กิเลสนี่เริมีเป็นเรื่องของเกิดขึ้นจากความที่กิเลสดับไปทุกข์ก็ดับไปในพร้อมในระยะเดียวกันนั้นเท่านั้นจนกระทั่ ง, างวาระสุดท้ายมันก็หมดสิ้นไปท่า<ม>นเอาเดียวเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในสําหรับตําราจะมากน้อยอย่างไรท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่อไปดูซิในตำลับตำราแปดหมื่นสี่พันธรรมขันชี้มาที่กายที่จิตของสัตว์ของเราของท่านนี้เท่านั้น ให้พิจารณาเข้ามาจุดนี้นี่คือจุดแห่งความจริงอย่ามองข้ามความจริงนี้ไปจะไม่เจอความจริงตลอดไปถ้ามองข้ามนี้แล้วนถึงสอนให้มองเข้ามาสู่ความจริงคืออริยสัจซึ่งมีอยู่นี่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาใครจะวิ่งนิชัยใครควรหรือจะนอนหมกจมกันอยู่ที่นั่นก็มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยจรงพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงก็เรียกว่ารู้สัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแลว้วก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดิ ผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสัจธรรมทั้งสี่รู้รอบสัจพิ์ทั้งสีนี้แล้วหมดห่วงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมมีทุกขสมุทัยนิโรธมากแล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นคู่ปรับกันเป็นคู่อริหรือเป็นเครื่องแก้กันทุกขกับสมุทัยเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายผูกมกัด นิโรดกัมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายระงับดับลงไปเรื่อยเจนกระทั่งดับลงโดยสิ้นเชิงความดับลงไปหมดแห่งกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคือความอดทนของจิตจิตจากนั้นจิตก็ไม่เป็นสัจธรรมในขณะที่จิตยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นสัจธรรมทั้งดวงทีเดียวพอได้ชำระสัก ฟ, ฟ อ, อ, อกกิเลสอันเป็นสมุทัยยัตว์ออกจากจิตใจหมดแล้วใจก็กลายมาเป็นความจริงอันประเสริฐ แต่ไม่ใช่จริงในอริยสัจเป็นความดพุพจน์ของตัวเองอันนี้ไม่ใช่สัจธรรมการพิจารณาจริงต้องเป็นกิริยาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่หมดกิริยาแล้วสัจธรรมทั้งสีนี้ก็เป็นอนัตหมดหน้าที่ไปเช่นมรรคเป็นเครื่องดําเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความมือสุดล้นลวนๆนี่อนนี้แหละคือการตัดพบตัดชาติตัดกิเลสตัณหาไม่มีเกี่ยวข้องภายในจิตใจได้อีกเลย แล้วก็ตลอดอนันตการไม่มีการใดสมัยใดที่ทุกข์ที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์อีกหรือตนจะไปโดนทุกข์ที่ตรงไหนอีกในพบนั้นพบนี้ไม่มีในจิตแล้วทุกข์จะมีที่ไหนล่ะก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นฆาตศิษย์อยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความทาาเพียรอย่าลดละท้อถอยเอาจริงเอาจังต่องานของตนอย่างยิ่งอย่าเห็นงานใดเป็นสิ่งที่วิเศษพิโส ย, ยิ่งกว่างาน ของพระเหล่านี้นี่พระเรามีงานอย่างนี้นี่งานของพระในครั้งพุทธกาลท่านมีอย่างนี้กันทั้งนั้นองค์ใดมาออกจากส ก, กุลต่างๆมาบวชในสำนักของพระโุธิจารหรือสำนักใดก็าตามได้มาสดัดรับฟังคำสอนของเบอรเจา้าให้เต็มที่เต็มฐานแล้วก็ออกประกอบความภาคเพียรที่เรียกว่าทำงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำนาญจิตใจนี่แหละงานคือการชำนาจิตใจ ชำระมันทำไมจิตใจมันเต็มไปด้วยของสกปรกรครุงรังอยู่ภายในจิตใจนั้นมาตั้งกับตั้งกันน้ำไม่ท้วนแล้วจึงต้องชําระศาสารและสิ่งนี้จะเป็นตัวเหตุที่จะพาให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในพบน้อยภพใหญ่มาจึงต้องชําระมันออกให้หมดด้วยกิจการทั้งเราที่กําลังดําเนิน อ, อยูน่นี้เมื่อชําระเสร็จสิ้นไปแล้วอดีตก็หมดอนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวงเพราะจิตนี้บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วแม้ในปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยืด ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรู้ตามความจริงไปโดยเชื่อเชิงไม่มีจุดมีต่อมที่ตรงไหนอีกแล้วนั่นหละคือการเสร็จงานอันวิเศษกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาภายในตัวของเราซึ่งหาคุณค่ามาได้แต่ก่อนนั่นแหละหเอาลงตร ง, ตรงนี้สนใจพินิษ์พิจารณาเอาร่างกายนี่เป็นตัวเหตุเป็นสนามรบเป็นสถานที่ที่คายดูความจริง เยสารโนมานะข า, า, ต, าตันตาตะโจจนกระทั่งอาการฐานที่สองมีแต่ความจริ น, นล้วนๆภายในตัวของเราให้มองลงไปตามจุดความจริงนี้ดังที่ท่านสอนไปแล้วนั้นเราจะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจตลอดถึงกระแสของใจเต็มไปคิดสําคัญมันหมายว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดความหมายไปทันทีที่ความเจ็ดสันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของจริเลย เมื่อปัญญาได้ชะลาะเข้าไปตรงไหนตรงไหนแล้วจะมีแต่ความจริงล้ว น, วนปรากฏขึ้นมาความจำปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปัญนยอต่างๆนั้นจะหายหน้าไปหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดไม่ถือสิ่งใดเพราะรู้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยวางนี่ปล่อยวางอุปทานในขันปล่อยวางอุปทานในจิตเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเลิกก็รู้ภายในตัวเองไม่เสกสรรปัญนย่อละนี่ยู่ตามความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติ ไม่สำคัญตนว่าสูงยิ่งกว่าผู้อื่นผู้ใดไม่สําคัญว่าตนต่ําต้อยน้อยหน้ายิ่งกว่าผู้ใดไม่ยกตนข่มผู้หนึ่งผู้ใดและไม่นําผู้ใดเข้ามายกเข้ามาเหยียบย่ำทําลายตนเองจิงว่าต่างอันต่างจริงข้างนอกก็จริงข้างในก็จริงใจก็จริงทุกอย่างจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กระทบกับเทือนกันนั่นแหละคือความอยู่สบายในระหว่างขันกับจิตที่อยู่สบายในระหว่างโลกกับเปล่าเพราะเรารู้เท่าทันหมดแล้วไม่ไปเกาะไม่ไปยึด มันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนพอสิ้นวาระของธาตุของขันที่สืบต่อกันมาได้แค่นั้นแล้วนั่นก็สลายตัวลงไปตามหลักธรรมชาติของเราซึ่งเราก็ได้พิจารณารอบตัวไว้หมดแล้วจะมีความกังวลห่วงใยที่ตรงไหนกับอาการใดไปอย่างสุขะโตไปอย่างเป็นสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นบรมมาสุขที่เรียกว่าปรามังสุขขงังปรามังสุ ข, ขงังหมายถึงท่านผู้ที่ไปจากธาตุจากขันจากอุปทานโดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไร ห, ห่วงใยเลยอ น, นาฬโยะมุติอ น, นาฬโยหลุดท้นหมดอะไรหมดที่ใจนี่เองไม่ใช่หมดที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายที่เรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่ในถํากลางแห่งสัจธรรมทั้งสีนี้เท่านั้นอะไม่นอกเหนือไปจากนี้ดูตรงนี้ให้ดีแล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเอง ยิ่งกว่าผู้อื่นได้มาบอกมาสอนปัจ ต, ต, ตังเมื่อรู้จําเทาะตนหรือสันทิฏิโ ก, โกได้เห็นเองประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นข้อสําคัญที่ท่านทั้งหลายจะยนําไปปฏิบัติให้เข้มแข็งทางความภาคความเพียร <c oughs> เข้มแข็งทุกด้านทุกทางข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในมีความคมคืนกันเพราะภายนอกก็เกี่ยวกับเรื่องภายในคือใจเราเองข้างนอกเลวไหลข้างในก็ลัวเล่ ข้างในดีข้างนอกก็ดีแน่นหนามั่นคงไปทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะเราทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนี่เป็นจุดสำคัญเอาให้จิงให้จังให้เห็นของวิเศษที่มีอยู่ในถํากลางแห่งขันนี้คืออะไรคือจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องเสกสรรหากรู้ชัดๆว่ามีแปลกต่างกับสิ่งใดบ้างแปลกต่างกับทุกสิ่ง กับทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมจิตกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ไม่เหมือนสิ่งใดเราจะรู้พานในตัวของเราเองให้พากันปฏิบัติพูดถึงใจนี้ก่อนในคำบรรยายครับ